วันหนึ่งฉันเกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าพระพุทธองค์อย่างทรงพระชนฉันคงจะไปกราบเพื่อขอใช้เสียรกล้าวแทนแผ่นรองบาสักครั้งในชีวิตและจะได้ทูลถามเป็นการส่วนตัวว่าเมื่อถึงโสดาปันติดผลแล้วสำหรับฉันควรทำเช่นใดต่อไปเป็นพิเศษเพื่อถึงยอดแห่งความสวัสดีโดยไม่เนื่นช้ากลับเข้าห้องนอนเปิดคอมพิวเตอร์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 สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนวัชะัพวกอุบาสกและอุบาสิกาผู้เป็นสาวกของเราฝ่ายกฤรือหัดนุ่งผ้าขาวบริโภคการรมทำตามโอวาทคำสอนของเราข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความเคลือบแคลงแล้วถึงความเป็นผู้กล้ากล้าแล้วไม่เชื่อศาสดาอื่นแล้วมีอยู่ไม่ใช่เพียงร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อย ไม่ใช่สามร้อยไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยที่แท้มีอยู่มากทีเดียวฉันอ่านถึงตรงนี้แล้วยกมือไหว้อนุโมทนาท่มศีสษตว์ซาบซึ้งในพระมหากรุณาแห่งองค์ศาสดาเป็นล้นพ้นคนรุ่นเรารู้จักคารวา ด, ดังๆผู้บรรลุธรรมไม่กี่คนเช่นอุบาสกอย่างเช่นพระเจ้าสุธโธธนะสมเด็จพระพุทธบิดาผู้บรรลุโสดาปติผล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 ใช่จะละเลยส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยความประมาทว่าไม่สำคัญไม่จำเป็นตกลงฉันได้คำตอบสองข้อจากพระสูตรเดียวคือทั้งได้รู้ว่าอุบาสกอุบาสิกาที่บรรลุธรรมมีอยู่มากและได้ทราบว่าเมื่อถึงโสดาปติพลแล้วควรเจริญสมถะและวิปัสสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกฉันกระพริบตาสองสมทีตั้งแต่เจริญสติปฐานสร้างวาสนาให้ตนเอง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 ภาวะที่รู้ละเอียดความรู้แจ่มแจ้ง Breakfast. ความคิดค้นความใครครวนปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ชัดปัญญาเหมือนประตักป evet. ัญญินีปัญญาพละปัญญาเหมือนสาตราปัญญาเหมือนประสาสตความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีพ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 คือจุดที่จิตเริ่มเห็นความดับของสภาพใดสภาพหนึ่งและแปลเป็นความเกิดของอีกสภาพหนึ่งแล้ว